สถานการ์พระพุทธศาสนาทวนกระแสไสยศาสตร์สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธประยุทธโตฉบับปรับปรุงใหม่สิงหาคมพุทธศักราช2556ันหนังสือเล่มนี้เหมาะกับทั้งพระและคารวสควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากเพื่อเข้าใจในทุกแงม่มุมให้เห็นปัญหาและทางออก จะนำไปสู่การปรับใช้เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาตนและสังคมให้เดิอนอยู่ในเส้นทางแห่งพุทธธรรมที่ถูกต้องและเพื่อรักษาสืบทอดพระศาสนาให้มั่นคงต่อไปตัวอย่างเนื้อหาภายในประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ทวนกระแสไสยศาสตร์จากเทพสู่ธรรมพุทธคถ า, ากับคถ า, าสายศาสตร์พุทธพจน์ที่ควรนามาสวดท่องประจาการให้วัตถุมงคลของพระสมัยก่อน ศา ส, สนาสังคมสลายเพราะกรรมร้ายร่วมกันขอแนะนําเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีของพระกับคารวาสการศึกษาหรือศิกขาและการพัฒนาคนที่ถูกต้องสําหรับเนื้อหาบางบทในหนังสือเล่มนี้จะมีช่วงหนึ่งซ้ํากับหนังสืออิทธิปาฏิหานเทวดาเรื่องเหนือสามัญวิสัยซึ่งเป็นบทหนึ่งจากหนังสือพุทธธรรมที่ได้อาดเสียงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับขอแนะนําให้ฟังทั้งสองเรื่องควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อเข้าใจแง่มุมเกี่ยวกับการวางใจต่อสิ่งเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าท่านจะคิดว่ามั่นคงในพระรัตนตรัยดีแล้วแต่เพื่อการอยู่ร่วมกันเพื่อการเป็นกัลยาณมิตรต่อคนรอบข้างทั้งในครอบครัวและในสังคมจะได้มีข้อมูลที่กว้างขวางพอในการแนะนำชักจูงหรือเห็นแง่มุมที่จะมีประโยชน์ต่อคนใกล้ชิดหรือพระศาสนาในภาพรวมต่อไปนะครับอ่านโดยอริยะคุณชมรมผลดี จัดทำโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตรประภัยจิตอันกลางร่วมจัดทําโดยสุภกิจนิ ม, มานรเทพครอบครัวอิมวงศรีครอบครัวเอกสิทธิวิชยาดามุงวิชาครอบครัวนวรัาชพง์ชนทิชาโภคาพาณิชฐ์บางออนวายุรกุลพนอมรักเพชรเสถียรร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับสับพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเชิญร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับสถานการณ์พระพุทธศาสนาทวนกระแสไสยศาสตร์สมเด็จพระพุทธโคสาจา ร, รยุทธประยุทธโต สถานการ์พระพุทธศาสนาทวนกระแสไสยศาสตร์นี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2538มีชื่อในครั้งนั้นว่าสถานการ์พระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร์หลังจะมีการพิมพ์ใหม่อีกสกครั้งหนึ่งก็เหมือนถูกลืมเงียบหายไปจนกระทั่งบางท่านคิดจะพิมพ์ขึ้นอีกในการจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือขึ้นใหม่ได้ถือโอกาสจัดปรับให้อ่านง่าย รวมทั้งได้เขียนเพิ่มแทรกเข้าไปอีกหนึ่งหัวข้อและเพื่อให้ชื่อหนังสือสื่อความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้เติมคําว่าทวนลงไปหน้ากระแสดไยศาสตร์เข้าใจว่าท่านผู้คิดจะพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นใหม่คราวนี้คงปรารบเหตุการณ์ในวงการศาสนาที่กระทบศรัทธาในช่วงนี้จึงอยากจะเตือนสติให้ปัญญาแก่ประชาชนซึ่งควรอนุโมทนาและเมื่อมองย้อนหลังไป หนังสือเล่มนี้เองก็เกิดขึ้นจากการพูดโดยพราวรบเหตุการณ์คล้ายกันอย่างนี้ในวงการศาสนาครั้งนั้นแต่จะคือเหตุการณ์เรื่องใดก็ขอให้ผู้อ่านทวนระลึกเรื่องเก่ากันเองสาร่าห์อยู่ที่ว่าถ้าเราไม่ได้บทเรียนและไม่ได้แก้ไขปรับปรุงมัวจมอยู่ในความประมาทประวัติศาสตร์ก็คงซ้ำรอยไม่รู้จบขออนุโมทนาท่านผู้ดําริในการบุญตั้งต้น และขอให้กุศลงอกงามต่อไป